พระธรรมเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าสมัยอยู่กับองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสอง8ห้าสิบดวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสี่เพราะนั้นลพวกเราจะได้ออกมาฉันข้างนอกศาลาใหญ่เราเข้าไปฉันศาลาอยู่ข้างในหลายวันแต่วันนี้เป็นวันพระ วันพระวันเสาร์วันอาทิตย์วันพวกนี้ก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ต่อไปแต่ก็เมื่อลุงพ่อไม่อยู่พวกพระคงจะน้อยเขาไปฉันข้างในเขาได้ไม่ต้องออกมาฉันข้างนอกนะแต่ลุงพ่ออยู่ก็ออกมาฉันข้างนอกวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อจะได้ดูแลศาลาข้างนอกด้วย ถ้าหากว่าเราไม่ออกมาฉันเลยสาราข้างนอกก็รู้สึกจะเศร้าหมองไม่มีใครเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาฉันข้างนอกสาลาวันนี้เป็นวันเสาร์วันพระแล้วก็วันนี้เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกคณะพระสงฆ์ในวัดของเราที่หลวงพ่อได้กระเกณฑ์ที่เป็นพระที่มีอายุพรรษาที่จะไปช่วยงาน ของคุณแม่บางทีบางครั้งอาจจะได้ไปจัดสถานที่ที่ฉันหรือว่าดูแลความเรียบร้อยของงานหลวงพ่อพระไปทั้งหมด10กว่าโรคนะไปงานของคุณแม่ไปตั้งแต่วันนี้แต่งานของคุณแม่เป็นวันที่29แต่เราจะไปวันที่27ไปดูความพร้อมของงาน วันที่28เย็นจะมีการเจริญพระพุทธมนตรในงานของคุณแม่แล้วก็คงจะมีการแสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันแต่เรายังไม่ได้ระบุว่าองค์ไหนเป็นองค์แสดงธรรมแต่ถ้าไม่มีองค์ไหนแสดงหลวงพ่อเองจะเป็นคนพูดปารับเรื่องงานของคุณแม่เพราะว่างานของคุณแม่เป็นงาน ถวายมุทิตาสักการะในพระคุณของคุณแม่เพราะนั้นหลวงพ่อจะเป็นองค์พูดแะเป็นอนแสดงและเป็นคนกล่าวหลวงพ่อก็ไม่ขัดข้องทั้งนั้นถ้ามีครูบาอาจารย์มาแล้วก็เอาให้ให้องค์อืนนนอนเป็นองค์องค์กล่าวเป็นองค์แสดงธรรมเย็นวันที่ยี่สิบปด แต่วันที่29เชา้าพระสงฆ์ออกบินทบาตก่ อ, อทำบุญตักบาตรมีอะไรก็จะถวายจจตุปปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็ของจบในวันที่29อาทิตย์ที่29มีนาทุกปีขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่รักเคารพในคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําที่รียว่าเป็นคุณย่า หรือว่าพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราได้มากราบมาไหว้คุณแม่ชีแก้วพวกเราในฐานะลูกหลานก็ควรควรจะเดินตามปู่ย่าตายายเข้ามาเคารพสักการะคารวะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งพวกเราจัดเข้าไปเคารพคารว ะ, ะครูบาอาจารย์หรือว่าผู้มีอุปกรณคุณ อันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะศรัทธาญาติโ ย, ยมทุกหมู่เหล่านะแต่หลวงพ่อก็ยังมาคิดอีกเหมือนกันนะมาคิดตรงที่หลวงพ่อกราบพระลูกหลานบางคนเอ้หลวงพ่อนี่เวลากราบพระหลวงพ่อคิดยังไงเฮ้พวกลูกหลานบางคนอาจจะขี้สงสัยแต่หลวงพ่อบอกให้ฟังเลยเพราะเรื่องของหลวงพ่อไม่มี รับลมคมไหนลมหลวงพ่อคิดยังไงเออเวลาหลวงพ่อกล่าวพระพุทธเจ้ากราวพระพุทธปฏิมาเนี่ยกลาวพุทโธธรรมโมสังโฆนะจากนั้นหลวงพ่อ ก, กล่าวว่าพุทเทธรรมเมเพุทโธธรมโมสังโฆปมาเทนะทวารตะเยนะขต่างสัพังอัปปลาถัางคะมัทมเมพันเต เนี่ยข้าพเจ้าก็กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ข้าพเจ้าในประมาทผาดพังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โอโหสิเนี่ยบอกพุทเทศทำเมสังเกตประมาเทนะทวารแลเตเยนขัดต่างสัพพังอปปล า, า, าถังธรมะถามพันเตเนีจากนั้นก็ประนมมือจากนั้นก็กราบอีกครั้งที่สี่เนีกราบครั้งที่สว่า มหาเทเรปมาเทนะเถเรปมาเทนะอาจาริเยปมาเทนะทวารตเะเยนขตังสัพพังอปราทังขามธรรมเพันเตกล่าวพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ากล่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันที่ว่ามหาเถเรคือพรามหาเถระเถเรแปลว่ารองลงมาอาจาริเยก็เป็น ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เราได้ปมาาดพันธ์ทั้งมหาเถระทั้งเถระทั้งอาจาริอาจาริเยขอให้ท่านโปรดโอโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยจะได้สำรวมระวังต่อไปอันนี้ก็คือการกราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระโถมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมโลูกหลานจะถือ เอาเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะเราบางทีเราก็คิดทมพูดบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมในจุดนั้นเมื่อเราไม่รู้เราก็ควรจะกาบคารวะเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาใจของตนเองแต่เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเอ่อ การเป็นอยู่ความเป็นมาของวัดป่านาะคำน้อยสองสามสองสามวันติดต่อกันแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับการที่หลวงพ่อได้เข้าไปสัมผัสรละว่าเกี่ยวกับองค์หลวงตาบ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศต่อไปเมื่อกลับมาจากห้วยทรายถ้าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่ตายก่อนนะคงจะมาพูดเกี่ยวกับ เรื่องวัดของเราอีกต่อไปนะคงจะพูดให้คณะจัดทายญาติโยมทบทวนความจําเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่มีวันที่จะน้อยหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่วันจะเท่าแก่ชราเมื่อเข้าแก่ชราไปแล้วต่อไปก็คงจะหยุดพูดความคิดความจําของหลวงพ่อก็คงจะหมดอย่างครูบาอาจารย์อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายไม่แพ้กันนะ ในขณะนี้หลวงพ่อยังพอระลึกได้หรือยังพอจำได้อยู่หลวงพ่อก็จะได้บอกกล่าวแนะนำแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังบอกกล่าวเมื่อวานนี้ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยหลวงพ่อจะท้องเท่าแก่ฉลาเมื่อเท่าแก่ฉลาแล้วโดยมากพระที่อยู่อุปถัมปถากใกล้ชิดครูบาอาจารย์เคยมีแล้วก็ ครูบาอาจารย์โดยมากเพรเป็นพระผู้แก่ก็ไม่ได้ไปที่ไหนก็ไม่ได้พูดคุยกับใครมีแต่พูดคุยกับพระอุปถากองค์สององค์อยู่ใกล้ๆพระอุปถากต์ถือว่าเป็นสําคัญาจากนั้นก็พยองพองตัวาจากนั้นก็เนี่ยมีอะไรก็ เ, เพชรทูลพูดอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นอ่ะะคลายกับว่าองค์นั้นเปอย่างนี้องค์นี้ไปงั้นคนนั้นไปงั้คนนี้ไปอย่างนั้น แต่โดยมากมันเป็นเรื่องกิเลสเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องโลกธรรมแปดทั้งนั้นอ่ะมันไม่ใช่โลกธรรมแปดและโลกธรรมสี่ที่เองตัวเองต้องการจากนั้นก็พูดให้ครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านไม่ได้ไปที่ไหนเมื่อท่านอายุแก่แล้วพนะ่อใน้สวดก่อนยุให้ออกนั้นไม่ดีอย่างนั้นองค์นี้ไม่ดีอย่างนี้โคด น, นั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้ ในผลที่สุดครูบาอาจารย์ก็นั่นแหละก็ต้องฟังผู้อยู่ใกล้ชิดจากนั้นก็ด่าดุด่าว่ากล่าวแสดงอากับกิริยาที่องค์นั้นคือคนนั้นที่เข้ามาเพราะได้รับทราบจากองค์ที่อยู่ใกล้ผลที่สุดลูกศิษย์ลูกหากระไรแต่กระโจยกระจายกันอันนี้ก็ได้ยินมากตัวมากไม่ใช่แต่พระเท่านั้นศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันที่มีลูกหลายคน ลูกบางคนที่นิสัยไม่ดีกันนั้นยุยแย่พ่อแม่ให้ด่าพี่ๆน้องๆลูกๆ ล, กลานหลานผลในที่สุดก็ลูกหลานในครอบครัวนั้นที่จะเป็นผึกแผ่นก็แตกสลุกภูผ้ายกันนี่หลวงพ่อหน้ากลัวนะอันนี้หลวงพ่อสั่งแล้วสั่งอีกเมื่อวานหลวงพ่อก็พูดแต่วันนี้ย้ำอีกสำหรับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาให้ลุ่มหลงมัวเมาในลาบในยศในสรรเสริญการเยินยอ หลวงพ่อแนะนําลูกศิษย์ลูกหาลูกทุกองค์ให้เน้นหนักเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้เรื่องจิตตภาวนาแต่เรื่องของภายนอกหลวงพ่อไม่ได้แนะนําสั่งสอนสิ่งภายนอกนั้นเป็นบุญบารมีของแต่ละองค์ถ้าหาว่าใครคนไหนทําบุญทำทานเรื่องอเนกสง์ศิณอเนกสงทานของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับองค์อื่นเขาเราเท่าไหร่ก็เท่านั้น เพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาอยู่ใกล้กูบาลจารย์องนั้นทําไมได้อย่างนั้นองค์นี้ทําไมได้อย่างนี้เนี่ยาตามไม่จริงมันไม่เหมือนกันเนี่ยขนาดลูกศิษย์ของหลวงตาก็เหมือนกันนะไอ้พวกเราดูสิก็ไม่เหมือนกันพ่อราะอลายลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะบุญบา ร, รมีของแต่ละองคออ์ถ้าเราเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมคือกรรมดีก ร, รรมชั่วของแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกัน่ เพราะฉะนั้นพวกเราเอาท่านทั้งหลายอย่าไปมองอย่าไปมองในเรื่องลาบเรื่องยศให้มองคุณธรรมศีลธรรมไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างตายต่างคนก็ต่างไปเพราะฉนั้นให้ประกอบคุณงามความดีนะหลวงพ่อจะแนะ น, านําสิทธิ์ญาณสิทธิ์พระสงฆ์หรือสัมมาเนหรือศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อหนะลวงพ่อจะสอนอย่างนี้ให้เปิดฟังดูก็แล้วกันใน MP ็สของหลวงพ่อนะ หลวงพ่อไม่ให้โลภโหโมกณะไม่ให้เอโลภโลเลแต่ให้มันขยันอดทนในการทํามาหาเลี้ยงชีพในการเป็นพระก็ให้อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอติเลกขลามได้มาเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้เป็นธรรมถ้าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนะอย่านะอย่าทําพอทําล้วนะถ้าทําสิ่งไหนที่มันไม่ดีแล้วตัวเองนั่นนะรู้แก่ใจนั่นะเป็นผนทางแห่งนรก เป็นห้นทางเนี่ยแถ่งนรกเพราะนั้นโลกนี้มันโลกหาได้อย่างที่คุณแม่พูดคุณแม่ชี้แก้วพูดโลกนี่โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกใส่ตนเองก็ได้หาสวรรค์ใส่ตนเองก็ได้หาหาความชั่วช้าลามกใส่ตนเองก็ได้หาคุณงามความดีใส่ตนเองก็ได้อแต่หลวงปู่ยามาย้ำอีกว่านรกไม่เต็มออนรกไม่เต็มสวรรค์ไม่เต็มพ่องอยู่ ถ้าใครทําความชั่วนะั่นนะลงเลยเนรกไม่เต็มหลวงปู่จามท่านบายอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราอยา่นะอออยาไปนะอย่าไปนรกให้ไปสวรรค์จะดีกว่าเพราะนั้นให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเรานคะณะทาญาตโ ย, ยมลูกหลานทุกคนแล้วก็พร้อมกันที่หลวงพ่อจะได้พูดเกี่ยวกับ อ, อ, องค์หลวงตาที่หลวงพ่อเข้าไปเกี่ยวข้อง นี่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเป็นวันโครงการช่วยชาติของหลวงตาที่ท่านเปิดโครงการช่วยชาติเดือนเมษาวันที่11เอวันที่11เมษาแล้วปีนั้นแต่หลวงพ่อจําพอสอไม่ได้ให้พวกเราไปดูกันแล้วกันประมาณ 11-12 ปีเข้ามาแล้วล่ะนะที่หลวงตาประสบอุบัติเหตุ หลวงป่าหลวงตาจะไปนู่นนะจะไปทางอำเภอทางทางทางบึงการนะั่นแหะจะไปไม่ร่วไปอำเภอไหนอพอท่านขับรถไปโซเฟอร์คือหลานของท่านหน่อโจยพอขับไปมีมอเตอร์ไซด์วิ่งตัดหน้าวิ่งตัดหน้าแบบกระท h นหันเอมามันก็วิ่งออกมาอย่างเร็วทางรถของหลวงตาก็เร็วอยู่แล้วนะอพออย่างงั้นถ้า ถ้าจะชนเข้าไปก็ต้องตายแหละไอ้มอเตอร์ไซค์ปั้งอะไรก็เสร็จแล้วแต่นี่โซเฟอร์เขาโอ้มันค น, นก็เลยหักอ่าพอหักลถด้วยลดความเร็วเนี่มันกระโดดลงข้างถนนโหลดตรงข้างถนนกระแทกลงไปพื้นเลกระแทกกระแทกกระแทกนีเออของอยู่ในนั้นก็คือมีทั้งขนมมีทั้งข้าวสารน้ําตาเนี่ยอยู่ในรถที่ท่านไปที่ไหนท่านก็ต้องบรรทุกสิ่งของไป มีขนมปัง่ะขนมปังเป็นปิดนะกระโดดกระเด็นก็มีท่านน้อยไปด้วยท่านน้อยก็ระโดดเข้ามาก็ไปล็อกหลวงตาหลวงตานอนอยู่นะท่านพักโดยมากท่านไปที่ไหนท่านจะนอนเอพอนนั้ก็พอรถผิดหลักเท่านั้นนะท่านน้อยก็กระโดดเข้าไปกับล็อกหลวงตาเอาแต่ท่านน้อยก็กระโดดแทะเข้ามาก็ดูสกว่าเอวสุดเหมือนกันนะเอเอเวสุดเนะี่ยแต่หลวงตาเนี่ย อ อ, ออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรแต่กระดูกแขนข้างซ้ายของท่านเนีน่ยแกข้อข้อบนตรงตรงข้อเนะี่ยกแต่ไม่ถึงกระหักนะคล้ายๆก่าล้าวนะท่านก็ปวดตัว น, นีออ้จากนั้นท่านก็เอารถเข้ามากลับมาถึงวัดออพอหลวงพ่อทราบข่าวนะหลวงพ่อทราบข่าวตอนเย็นประมาณสักบ่ายสามสี่โมงนะหลวงพ่อ ปีเข้าไปเลยเข้าไปไปถามไปไปดูท่านแต่หมอข่าวนั้นหมอเติงยังอยู่นะหมอเติงยังยังยังยังยังอยู่หลวงพ่อก็เข้าไปเตรียมยาจีนหลวงพ่อก็ได้ยาจีนเยอะเพช่วงนั้นเมืองจีนกำลังเปิดประเทศนะยาจีนกำลังออกมาแต่หลวงพ่อก็ไปมอบยาที่หลวงพ่อไดนะ้ให้หมอเติง หมอเติงเห็นกับหมอเติงก็ตื่นเหมือนกันนะตื่นยาของหลวงพ่อเนาะพระหลวงพ่อได้ยาขั้นดีนี่ยจากนั้นพอหลวงพ่อไปถึงเขาก็ย่างนะใครเขาว่าย่างหลว ง, งตาอคือหมอในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่ให้ย่างใช่ไหมเขาจะเอาน้ําแข็งโปะเพื่อมาให้เลือดออกนะแต่คนโบราณ ทางอีสานเนี่ยเวลาใครตกต้นไม้ควายชนตกในที่สูงบอบช้ำเนี่ยเขาจะต้องย่างย่างไฟให้เลือดละลายนี่แหละมันมันมันขัดกันโดยโดยการรักษานแต่นี่ก็ทางหมอปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ถูกความร้อนแต่ทางวัดป่าบ้านตาทั้งคุณแม่จันดีพวกนั้นบอกว่าพวกเราทำมาแล้วเวลา ตกจากที่สูงแล้วอะอันตรายอย่างนี้น่ะต้องย่างนะนะคาว่าย่างคำนี้คล้ายๆว่ามีเตียงมีเตียงต่ำๆแล้วก็มีใบไม้ใบเป้าใบเป้าปูาปพอปูเสร็จแล้วก็เอาไฟอังโลกไฟถ่านข้างล่างสองสามเตาแล้วก็ให้หลวงตานอนอยู่ข้างบนใบเป้าใบไม้น่ะ จากนั้นก็ใบหนาดในะบเป้าใบหนาดใบ อ, อะไรที่เขาที่คนโบราณเขาว่าทำให้กลิ่นมันหอมแต่บางคนทางทางภูไทยของหลวงพ่อเนี่ยเขาว่าย่างขี้หมาอีกต่างหากนะมีขี้หม า, <c oughs> าขี้หมาเอามาใส่ในเตาไฟนะแต่ตามไม่จริงไอ้คนพอใส่เตาไฟแล้วเนี่ยพอออกจุดขึ้นมาเนี่ย คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยกระโดดนี้หมดเหม็นเหม็นขียวขี่หมานะแต่คนที่ป่วยนะโอ้โอมีแรงพราะถูกกิ่นขี่หมาเข้าไปแล้วไอ้ใครๆว่าหายใจโล่งแต่ก่อนมันหายใจแน่นหน้าอกนะเอเนี่ยว่าเขาย่างขี่หมาเนี่ยใครๆว่าขี่หมาเผาไฟเนี่ยคนภูไทยเขาเขาทำกันนะเดี๋ยวนี้เขาก็ยังทํากันอยู่เวลาใครตกต้นไม้ควายชนอ อ, อะไร ที่กระทบกระแทกข้างในที่มันแน่นหน้าอกเนี่ยเขาจะต้องเอามาแล้วเขาก็มายากอย่างที่ว่านะเตาไฟข้างย่างแล้วก็ร้อนๆเข้ามาเอาผ้าห่มปกข้างบนคุมข้างบนจากนั้นก็นอนคว่มบังนอนตะแคงบังนอนหงายบัง เ, เพื่อจะให้ความร้อ น, นอปกคุมในร่างกายหลวงตาท่านมาข่าวนั้นก่อน หลวงพ่อเข้าไปเห็นแต่พระท่านเป็นนอนนอนย่างอยู่โอ้พระทั้งหลายก น, นั่งล้อมล อ, อกพอหลวงพ่อไปเห็นโอ้หลวงตานอนท่านเสร็จแล้วท่านก็นอนเราก็ถามว่า เ, เราพวกพระได้จัดข้างบนไหมไวไหมยังไม่ได้จัดมีแต่ที่นอนเออไปขึ้นไปจัดข้างบนไปไปเตรียมไว้นะ เ, เตรียมข้างในด้วยเตรียมข้างนอกกุฏิของท่านด้วย ไว้ทั้งสอ ง, สองแห่งหลวงพอบอกเผื่อว่าเผื่อท่านจะนอนข้างนอกหรือนอนข้างในไม่ใช่ว่าจะนอนข้างในได้นะคราวเนี่ยท่านประสบอุบัติเหตุอย่างเนี้ยเลยก็เอาเตรียมเตรียมผ้าม า, เ, าเตรียงผ้ามาแล้วก็เตรียมผ้าเช็ดตัวมาไอ้ผ้าเช็ดร่างกายมาผ้าขนหนูผืนเล็กๆมาจุ่มน้ําเช็ดท่านท่านนอนหลับอยู่นะท่านพอนั่นแล้วเขาเอายา นอนหลับถวายท่านน่ะท่านก็นอนหลับแหละนอนหลับเอีพวกพระนี่ก็ค่ําแล้วประมาณสักเกือบทุ่มแล้วเมื่อดเอดิมเนี่อท่านก็ยังนอนอยู่อแต่ไฟก็ดับละไฟย่างเนะี่ยเขลดไฟออกไปแล้วพอย่างมามากแล้วท่านก็ฟื้นตัวเอท่านก็เอเอหลงพ่อก็กราบเรียนท่านเพราะโลงพ่อนี่เป็นพระที่มีอายุพรรษามากกว่าเพื่อน กว่าน้องๆทั้งหลายอยู่ในในช่วงนั้นในขณะนั้นนะหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีท่านก็อายุมากแล้วท่านก็ไปเข้าไปใกล้ละหลวงพ่อก็ถามพอฟื้นตัวท่านก็หลวงพ่อก็ถามพ่อการพ่อแม่คุยจานจะลุกขึ้นมาเช็ดตัวได้ไหมครับผมเช็ดตัวซะก่อนครับผมเออเอเราก็พวกพากัะประคองท่านลุกขึ้นมาแล้วก็เช็ดตัว พอเจตัวโอผ้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนให้ท่านล้วก็ถามขอขาการพ่อแม่กุจารจะพักข้างนอกหรือพักข้างในกุฏิดีกับผมอืมพักข้างนอกท่านไม่เข้าไปข้างในกุฏิก่องไกกุฏิมันแคบนะพักข้างนอกพอกระโดดเราก็ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะว่าเราได้บอกพระว่าให้เตรียมไว้ข้างนอกแห่งหนึ่งนะข้างในแห่งหนึ่งนอะขึ้นไปก็ท่านก็เลยขึ้นไปพักข้างนอก ทางนอกเสร็จแล้วก็ต้องก็เน้นอ่ะฉันยาคือหมอในปัจจุบันเขาก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ยาละลายละเลงริ่มเลือดอที่มันมีอะไรแล้วก็ยายาแก้อักเสบอะไรแบบแบบแบบปัจจุบันก็ไม่มีอะไรในะยาปัจจุบันเขารักษาแบบแบบอีกให้มันให้พักผ่อนแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปเองนะ ตอนนี้พอตอนวันรุ่งขึ้นเถ้าแก่สมหมายเราก็เลยเห็นว่าหลวงพ่อมาจากมุกดาหารเขาเก่งมากเป็นหมอหมอศยศาสตร์นะไม่ใช่ศยศาสตร์หมอน้ํามันเขาจะเสกคาถาคาถาพระโมกคลาใส่น้ํามันงาแล้วก็ทาเขาเก่งมากตอนนี้นก็เลยเอาหมอหลวงตานั้นมาที่จั ง, จงหวัดมุกดาหารเอาพระมา หลวงตาท่านก็ให้เขาเป่านะอที่หลวงพ่อเห็นให้หลวงเขาเป่าอจากนั้นเขาก็เอาน้ำมนต์เอาน้ำมันน้ำมันงาเอาทาที่แขนหลวงตาแต่หลวงตาก็นั่นแหละจากนั้นหลวงตาก็พักผ่อนนอนในช่วงนะั้นช่วงช่วงปีนะนะั้นปีเปิดโครงการหาทองคําเข้าคลังหลวงนะั่นนะหลวงตาก็เริ่มเทศอนะเริ่มโพดนะ อจากนั้นก็หลงตาคันอนพักผ่อนนะจ๊ะเนี่ยตามหมอที่เขาบอกท่านก็พักผ่อนเอไม่ถายไม่เลยแต่ก่อนท่านถ่ายนะเออท่านถ่ายท่านระบายท่านก็บอกอ้ยังกนับวันมันดีอยู่นะถ้าว่าทั้งถ่ายด้วยทั้งปวดอย่างนี้ด้วยก็คงจะแย่อันนี้รู้สึกว่าถ่ายนะหายเงียบไปเลยเรื่องท้องหายไปเลย แตมีแต่ปวดตอนนี้อย่างนั้นอยู่นะ่ะแต่ก็เลยพักผ่อนอพอพักผ่อนที่นี่วันสองสามวันท่านไม่กระดุกกระดิกมันท่านก็นอนเงียบจนะตามเลยลูกแฟนของแม่บ้านของคุณชายป๋ำนะ่ะคุณคุณหมูนะ่ะคุณหมูท่านอาจารย์บอกให้หลุงตาขยับด้วยนะถ้าไม่ขยับไม่ได้นะผังผืดติดนะเดินไม่ได้นะถ้างวันลุงตาไม่ขยับ นอนนิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้นะคนแก่ เ, เราก็พูยคุณหมูให้คุณหมูมาพูดกับท่านเองสิวะไม่ได้ไดิฉันกลัวกลัวท่านจะดูเอ้าอาตมาก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละเ อ, อไม่มีใครกล้าพูดได้ลงตายเพราะสมัยท่านท่านยัง อ, อยังด่าด่าคนได้อยู่ด่าพระด่านเนได้อยู่ใครๆก็ขยันทั้งนั่นแหละไปว่าพวกพระในวัดเนี่ไปว่า หายเงียบเราหัว ห, หดตดแตกแตรงนรัน้นเนยไม่เข้าไปไม่ไม่กล้าเพ่งพลาดตรงนรั้นท่อนเพราะถึงท่านจะป่วยก็จริงอยู่แต่ข่าวนั้นเป็นครั้งแรกที่ลงตาป่วยนะคล้ายๆว่าพวกพระก็ไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางเพราะท่านไม่ได้ป่วยมานานเพราะท่านกระทานหานนะผู้ที่จะเข้าใกล้ขอท่านก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเข้าใกล้ยังไงฮะแต่หลวงพ่อเนี่ยไปอยากวัดหลวงพ่อเนี่ยเขาไปรัออบออกบริขารไปนอนเลย เป็นนอนเฝ้าลงตาเลยในช่วงนั้นนะอพอตอนั้นหลวงพ่อก็นอนเฝ้ากับปู่พระผัดเวีนกันดูแลกันพอหลวงพ่อไปเออให้พวกเราผัดเวนกันนะเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องใครเป็นหัวหน้าและก็ใครเป็นลูกน้องอกลุ่มละสี่ห้าคนเวลาลงตายกลางค่ำกลางคืนมาท่านจะได้เข้าห้องน้ำพวกเราจะได้ช่วยกันประคองหลวงตาต้องมีหัวหน้านะต้องดู นะั่นจะให้ขาดตกบกพร่องนะพี่น้องนะน้องๆทั้งหลายนะั่นหลวงพ่อก็ได้พูดอย่างนั้นในช่วงนั้นนะเอจากนั้นก็หลวงพ่อก็เอ้มันก็คงจะเป็นอย่างคุณหมูพูดนะว่าคุณหมูบอกว่าญ า, าของในชั้นนะเนี่อที่แรกก็สบายให้คนหามให้ขามไปห้องน้ํายกไปห้องน้ำเพราะในสุดสบายไปสบายมาแล้วก็เดือดไม่ได้เลย ทั้งที่ท่านจะเดินไปมันเป็นผังผืดติดนะท่านอาจารย์เราก็เลยวันนั้นตอนเช้าเนียอย่างเช้าอย่างอย่างวันเนี้ยอพอพระไปบินถ้าบาดหมดแล้วเนี่ยเราก็นั่งอยู่กับท่านสุดใจสององค์ที่เฝ้าอยู่นะนั่งอยู่ท่านสุดใจเราก็เลยท่านเราก็อยู่ทั้งหลังน่ะท่านนอนตะแคงไปทั้งหน้าท่านตะแคงวันนั้นตอท่านท่านตะแคงตะแคง ผู้สืว่าท่านปวดกระดูกของท่านจะเป็นทางซ้ายนะว่าทางซ้ายหรือทางขวาเนะี่ยแต่โคนโคนแขนนะ่ะเราก็อยู่ทางหลังท่านเราก็กราบเรียนนะขออาการพ่อแม่คูจารคุณหมูเขาบอกว่าถ้าหากว่าพ่อแม่คูจารไม่ลุกไม่ขยับไม่ลุกเดิน่เดี๋ยวพังผืดติดไ ด, ด้กับผมเดี๋ยวพ่อแม่คูจารจะเดินไม่ได้กับผมขออนุโมทพ่อแม่คูจารลุก เดินบ้้งกับผมเพื่อให้ร่างร่างกายขยับถ้าไม่งั้นพังผืดติดจะเดินไม่ได้กับผมเฮ้ <c oughs> เราก็พูดเสียงดังฟังชัดเลยว่างั้นท่านเหลือบขึ้นมาเพราะเราอยู่ทั้งหลังท่านใช่ท่านก็เหลือบขึ้นมาอย่ามาสอนสังขราร <c oughs> <c oughs> เรายังจำไม่ลืม <c oughs> อย่ามาสอนสังขาชต <c oughs> เราก็เงียบนะเพราะเราพูดไลยด้อ ท่านจะปฏิบัติได้ยังไงก็สุดแท้แต่พอเราพูดให้ท่านฟังชัดเจนนั่นเนีอยจากนั้นท่านก็ลุกมาลุกมากับฉันฉันจังหัดเราก็นั้นเข้าไปกอให้เอาข้าวถวายท่นของท่านท่านมาจับไม่ได้อท่านก็ฉันจังหวัดเสร็จแล้วก็ท่านมาพักพักเสร็จแล้วอือเอาเอาลอนุกยืนซิท่านว่านะจะเนี่ยใคร้าบอกท่างคงจะได้ฟังนั่นแะ พอพังผืดจะติดเอาเราลุกยืนดูซิเราจะลุกเดินยืนนแต่นี้ก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่ก่อนที่ท่านก่อนที่จะพูดคำนี่นะท่านปวดเบาพออยู่ได้สองวันสวันทั้งปวดเบาเออเอาเราเข้าไปห้องน้ําหน่อยสิวะเรารู้สึกว่าปวดหนักปวดเบาเราจะเข้าของเข้าห้องน้ําก่อนแต่ที้เราก็หามเข้าไป พอหามลวงตาเข้าไปพอยกเข้าไปพอท่านพันพันเดินนันนนะ่ะเอพอเข้าไปในห้องน้ำอ่าพอเข้าน้ําเสร็จแล้วเราก็าไปเปลี่ยนผ้าท่านในห้องน้ำํำเปลี่ยนปุ๊บปุบปบ๊ท่านกดเราเนี่เปลี่ยนเร็วมากเลยเหมือนกันเออท่านพอหลวงตาท่านว่าเอา้าวทำทำไมทําไมเราจะเป็นลมใค้ๆว่าท่านมาได้ยืนมานานฮนะท่านไม่ต้องออกกําลังกายมานานนะท่านไม่ได้ยืนมานานนะ เออทีนี้พอท่านยืนขึ้นมามันจะเป็นลมได้เลยหน้าเมืด้วยท่านก็จับแขนหลวงพ่อเลยหลวงพ่อกําลังจะนุ่งผ้าให้ท่านะกําลังม้วนผ้าให้ท่านก็พวกพระก็อยู่ข้างๆสามสี่องค์ด้วยกันนะเออท่านก็ท่านก็หลวงพ่อเป็นคนนุ่งผ้าถวายท่านกําลังพับผ้าเข้าไปท่านก็จับโขนแขนนลวงพ่อจับแน่นมากเลยเออทาไมทาไมมันจะเป็นลมเออพอว่าท่านแล้หลวงพ่อเขาีบมัดแขนทีนี้พวกผ้ากับ ประคองท่านออกมาจากห้องน้ํำนะประคองออกมาจากห้องน้ําให้ท่านเดินเนะี่ยตอนตอนไปท่านก็เดินเข้าค่อยๆเดินแต่เราก็อยู่ข้างๆท่านนะเอแต่พอออกมาที่นี่รู้สิวหลวงพ่อมองหน้าท่านนะ่ะหน้าซีดเลยท่านนี่หลวงพ่อก็บอกหามอหลวงพ่อว่าหามว่าไงแต่หามลวงตาเอยกหลงตาเลยว่าไงเลยยกคนหนึ่งก็ไป ส, สองมือประสานสองข้าง ประคองขาเลยตัวหนึงกับประคองที่หลังของท่านเลยหามมาเลยพอหามมาจะมากับท่นนอนให้ท่านนอนราบอาจารย์หมอนอนราบอาจารย์หมอที่พลอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนียอาจารย์หมอขึ้นมาดูสิอาจารย์หมอทีพลกูวิ่งขึ้นมาพร้อมกับเครื่องวัดความดันเฮ้มากับมาวัดความดันโอ้ลงไปเกือบศูนเลยอย้างนั้นเออเกือบ เข้าเข้าขั้นอันตรายมากๆเลยงั้นไงอาจารย์หมอที่ปนทำไมเป็นนะนี่หว่าแต่ในอีกสักพักหนึ่งพอหลงตานอนราบะอะนะเลยแล้วก็วัดอีกครั้งสองเออขึ้นมาแล้วนะเอพอขึ้นมาครั้งสามขึ้นมาเออเล็บนั่นน่ะให้คล้ายก็ว่าท่านลุกยืนมานานเลยหลวงพ่อยังคิดว่าถ้าหากวัด มากก่อนนั้นเราหลวงพ่อเขาคงจะยกขาลงตาขึ้นสูงวัดหลวงพ่อไม่ใช่หมอเลยแต่เก่งอย่างนั้นหลวงพ่อกําลังจะยกขาลงตาขึ้นคือให้เลือดไปเลี้ยงสมองวเหมือนกั น, นเพราะลงตานอนนอนราบอย่างู่หลวงพ่อกําลังจะยกขาลงตาอเอเให้เลือดมันขึ้นอนลงตาก็เลขึ้นมาโอ้โทุก ท, ท, ทถ้าหากว่าเอาหลวงตาเดินตกแตกตกแตกตกแตกมานะ จนมาถึงที่นอนเดียหลวงพ่อยังมาคิดเสียวอยู่ทั้งข่าวนั้นว่างั้นเถอะอาจจะช็อกก็ได้เอหลวงพ่อบอกหามบอยกเลยว่ายกหามเลยหามแล้วก็รีบเอามานอนเลยวัานอนอาจารย์หมอริพน์พวงวรินท่านก็ขึ้นมาวัดความดันเอยว่าความดันโอ้ต่ํามากเลยท่านเลยจากนั้นก็พอวัดอีกครั้งที่สองมันขึ้นเออท่านก็ออก็รู้เปน็นรู้กันว่าท่านไม่ได้ขยับ ท่านไม่ได้ยืนมานานพอยืนขึ้นมานะมันหน้ามืดนะเอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะ่เนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหลวงพอ่อวิตกกังวลกับองค์หลวงตานะในช่วงนั้นแต่้พอต่อมาถึงนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะจําเอาเอาเราลุกยืนหน่ยสิเราก็ประคองท่านลุกยืนพอยืนขึ้นมาแล้วพอเอาฝ่าเท้าแตะพื้นเท่านั้นนะ่ะส้นเท้าลงไม่ได้เอ ส้นเท้าลงไม่ได้เหมือนกับขาเขย่งอย่างนั้นแหละขาเขย่งนะพอเอาปลายเท้าแตะเท่านั้นนะเออส้นเท้าลงไม่ถึงพื้นยตัวขั้นก็สั่นทั้งตัวเลยเต็มพอแล้วโอ้โหต๊เอาลงเอาลงเอาลงเออเราก็เอาลงเอาลงมานั่งพอนั่งเสร็จแล้วอีกสักห้านาทีสิบเดีเอาเอาลูกเยืนอเ็ก พอลุกยืนอีกทีนั้นก็พยายามเอาเท้าให้ลงถึงพื้นนะ่ะก็ขาเขย่งอีกอย่างเก่านะเขย่งเขย่งเขย่งเ ข, ขย่งแต่ท่านก็พยายามพยายามโถโถโถโถโถโท่านรู้ได้เลยว่ามันผังผืดมันจะติดจริงๆไงพอครั้งที่สมเนี่ยท่านพยายามเอาเท้าลงให้ได้พอเอาเท้าลงให้ได้ลงถึงพื้นได้พอถึงโถ่มันขนาดนี้เหรอท่านว่านะจากนั้นท่านก็เดิน เดินเดินเอาเท้าต่อเท้าไปนะนะั่นน่ะยกเท้าก็ไม่ได้ทีนี่ค่อยเดินเราสามองค์คนะงหนึ่งอยู่หลังเอคงองค์หนึ่งอยู่ทางทางที่ท่านไม่ไม่ปวดนั่นแต่ถ้าว่าท่านล้มยังไงก็เนนะี่ยองค์ที่อยู่ข้างหลังเนะ่ยบกคองกอดเอวเลยงั้นถ่ะเอาเราก็บอกเนะีจะไปแขนข้างนั้นให้ระวังนะจะไปให้แตนะนะั่นเลยเดี๋ยวมันมันกำลังเล้าอยู่ น, น, นั่นน่ะนี่แหละ หลวงพ่อก็อยู่กับองค์หลวงตาพอต่อมาอยู่ได้สามสี่วันหนะลวงตาก็มีลูกศิษย์ลูกหา ม, มากงะเราควรจะกลับไปวัดเจ้ก่อนมากเพราะมีกิจนิมนต์ศูนย์ศูนย์เบนเหมืองอุดรเขาคนนิมนต์ครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อก็เลยออกไปวัดเจ้าก่อนไปแล้ววันพุ่งนี้จะกลับเข้ามากราบเยี่ยมท่านเราก็เลยขนบริขารออกกราบลาขอการพระแม่กุญจารย์กับผมขอลากลับวัด ท่า น, นก็ไม่ว่าอะไรหลวงพ่อก็กลับกลับมานอนวัดพอกลับมานอนวัดเสร็จแล้วก็ตอนเช้ามาันออกไปแต่เช้าไปฉันที่เขาทําบุญที่ศูนย์เบ้นที่อุดรนะที่ศูนย์ฟอกที่ศูนย์เบ้นเราไปฉันพอฉันเสร็จเรียบร้อยเราหลวงพ่อเขาไปกราบหลวงตาอีกหลวงตาเป็นยังไงัแล้วเขาไปกราบท่านอีกพอได้สามสี่วันแล้วเราออกมา ท่านเราจะอยู่ต่อไปก็เหมือนกับเราไปขวางพวกน้องๆทางหลายเราก็คิดอีกเหมือนกันนั่นแหละอา่าพออาการของท่านก็ดีขึ้นพอจะช่วยตัวเองท่านได้แล้วเนะ่เราก็ออกมาแต่นี้พอออกมาเราก็เข้าไปตอนสายๆท่านนอนอยู่ตามลำพังนะไม่มีใครว่นนะนอนตะแคงเงียบเราก็เข้าไปใกล้ๆก็ไปกราบท่านพอกราบท่านนะแล้วเราก็นั่ง นั่งดูข้างๆท่านนะเสร็จแล้วหลวงพ่อก่อดพอท่านอื้ท่านพอดื่นนะพอท่านตื่นขึ้นมาหลวงพ่อเราก็บอกขออกาศพระแม่คุญจย์ทราน้ํามันอีกนอกกระผมคือน้ํามันน้ํามันงาที่พระมุกดาหารที่เขาเสกคาถาใส่เป็นคาถาจอดดูดจอดกระดูกนะ่ะมันแห้งแล้วนะเราก็ขออกาศพระแม่กุญจารย์ ทานน้ำมันอีกเนาะก็ผมน้ำมันมันแห้งแล้วก็ผมแต่มองตาขึ้นมาเหลือบตาขึ้นมาอย่ามายุ่งเราจะตายคนเดียวเรื่องอะไรทำไมมันไม่คิดทำไมทำไมมันไม่คิดอย่มายุ่งกับเราเราจะตายคนเดียวโอ้โหลวงพ่อได้ยินนะท่านสนะุดโตห้คลายก็ว่าท่านทำไม เออเราเป็นอยู่อย่างนี้แล้วทำใหม่จะไปไปทำใหม่เออจะมายุ่งกับเราอีกนะเราจะตายคนเดียวจะมายุ่งกับเราเนะี่ยโอ้หลวงพ่อได้ยินหมัดนั้นเท่านั้นนะ่ะหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเสร็จแล้วหลวงพ่อก็นั่งเสร็จแล้วก็บอกโซเฟอร์ไปไปไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเอาบริขารมาจากวัดเดี๋ยวนี้เออเข้าไปเอาของบริขารของหลวงพ่อโซเฟอร์กับพระองค์หนึ่งก็วิ่งเ ถ้าจำไม่ผิดก็มั้งท่านนิคมเลยมัง้งมากับโซเพอรมาเอาบริขารจากวัดไปอีกกลับไปอีกหลวงพ่อก็เป็นนอนเฝ้าเลยทถนี่นอนเฝ้าต่ออีกดูแลองค์หลวงตา น, นั่นแหละจนถึงอยู่ตรงนั้นท่านก็ช่วยตนเองได้หลวงพ่อคืไปฉันอยู่หลังกุฏิหลวงตานะตอนเช้าท่านก็ฉันขึ้นไปฉันเสร็จแล้วแต่วายท่านเสร็จแล้วหลวงพ่อออกมาฉันหลังกุฏิหลวงตานะ ทุกวันจนถึงวันที่สิบมั้งวันที่เก้าหรือวันที่สิบเนี่ยบอกว่าท่านจะลงกรุงเทพที่จะลงไปกรุงเทพเพื่อไปหาทองคาเข้าคลังหลวงไปทอดผ้าป่าจากนั้นท่านก็นเลยลงไปลงไปกรุงเทพแต่พวกสิริธรรมพวกนั้นก็บอกว่าท่านอาจารย์ไม่ลงไปเหรอเฮ้ยท่านไม่บอกว่า แต่หลวงตาเนี่ยมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยถ้าจะเข้าสู่ชุมชนสังคมเนี่ยหลวงตาจะไม่ให้หลวงพ่อเข้าไปนะขนาดที่ท่านป่วยขนาดเนะพิ่งหายใ ห, ใหม่ทําให้จริงท่านน่าจะเอาหลวงพ่อลงไปนะเ อ, เอาไปดูแลเน่ยไม่ท่านไม่พูดถึงเลยเท่านก็ลงไป เ, เราก็ไม่ลงไปเพราะว่าท่านไม่ได้บอกนะแล้วก็กลับวัดพอท่านไปแล้วหลวงพ่อก็กลับวัดท่านก็ ไปกรุงลงกรุงเทพอ่าจากนั้นก็เนี่ยช่วงนั้นอ่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปกราบองค์หลวงตาหลวงตาก็ยังมีผ้าอะไรมัดมัดคล้องคอคล้องแขนท่านอยู่อ่าในช่วงนั้นน่ะนี่แหละเปิดโครงการอ่ะโครงกรารช่วยชาติปีนั้ น, นอ่ะหลวงตาก็ปร ะ, ประสบบัตรเทศทั้งที่ท่านปวดทั้งป่วยด้วยประสบบัตรเทศด้วยน ะ, ะท่านก็ได้ เปิดโครงการช่วยชาติหลวงพ่อจำวันนี้นะวันที่สิบเอ็ดสิบสองเมษาเนี่ยนะเป็นวันครบรอบวันเปิดโครงการ <c oughs> หาทองคําเข้าคลังหลวงขององค์หลวงตานะเนี่แหละอันนี้แหละคือปีนะนะั้นอ่ะปีที่หลวงตาประสบวอนอุบัติเหตุที่หลวงพ่อเคยเข้าในปลนิบัติท่านอท่านหลวงพ่อเนี่ยโดยมากให้พวกเราสังเกต ถ้างานไหนใหญ่ๆที่ว่า ง, งานที่คู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยท่านจะไม่ให้หลวงพ่อเข้าไปนะถ้าหลวงพ่อเข้าไปใกล้เลยท่านจะตาเเลือกเลยเลย่ะตายเลือกมายุ่งทําไมฮะมันยุ่งอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ไม่จะมาเข้ามายุ่งอีกหรอไปไปที่ไหนอนี่นแหละหลวงพ่อเนี่ยต้องเพ่นแแ บ, บเลยน ะ, ะมองตาก็รู้แล้วอ่ะพอใจหรือไม่พอใจเห้ย หลวงพ่อจะมองหลวงตานไะงเพราะนั้นพวกเราให้สังเกตอดูงานใหญ่ๆหลวงพ่อจะไม่เข้าไปป้วนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆงานไหนใหญ่ก็ตามถ้าหลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อจะเข้าก่อนงานบุญงานอะไรก็ตามไปทําบุญกับหลวงตาก่อนจากนั้นวันงานหลวงพ่อจะไม่มีนะไม่เห็นนะไม่เห็นหลวงพ่อลนะ่ะเพราะเหตุอะไรท่านคงจะจะเข้ามายุ่งนะเอให้ข้าวัด ท่านคงจะมองดูแล้วกลัวเขากลัวเราจะหลงหลืมหลงเหลืองเหลืองเจิง่งนะ เ, เกี่ยวกับคู่คนคู่คนรู้รู้จักมักคุ้นมากเลยก็ทำให้เสียหายได้เนะพราะนั้นท่านคงจะอยากเข้ามายุ่งนะให้ท่านไปอยู่ภาวนาไปอยู่ตามลำพังนะลักษณะอย่างนั้นมากกว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออ่านอ่านแนวความคิดของหลวงตานะนี่แหละอันนี้ก็คือ ในช่วงที่องค์หลวงตาอาที่ท่านประจบอุบัติเทศหลวงพ่อไปเฝ้าอยู่หลายวันจนหลวงตาลงไปกรุงเทพหลวงพ่อจึงได้กลับวัดนะนี่แหละถ้าหาว่าหลวงพ่อไม่พูดในคณะัทาญาิโยมลูกหลานฟังอคงลูกหลานก็คงจะไม่รู้ว่าหลวงพ่อเข้าไปในช่วงนั้นแล้วครั้งต่อไปแต่แหม่แต่บางท่านบางคนก็บอกว่าหลวงพ่ออินหลวง ตาป่วยหนักยังค่อยโผล่เข้ามาแต่ตามปกติก็ไม่เห็นเข้ามาไปเข้ามาได้ยังไงพอลาลวงตากับหลวงพ่อเนี่ย ด, ด่าดอไม่ให้มายุ่งกับคนฮอแต่ว่าเมื่อคราวจําเป็นหลวงพ่อจะไม่ทิ้งอถือว่าพ่อนะเวลาเจ็บไข้เดือบปวอต้องโดดเข้าไปประคองเข้าไปใกล้เข้าไปดูแลให้ดีที่สุดในเมื่อลวงตาโค้งสุดท้ายหลวงพ่อก็เข้าไปอแต่ว่า หลวงพ่อไม่ใช่ว่าเข้าไปแต่โค้งสุดท้ายนะโค้องอุบัติประสบอุบัติเหตุเนี่ยหลวงพ่อก็ยังเข้าไป เ, าเข้าไปดูแลในองค์หลวงต า, าในช่วงนั้นนี่แหละอันนี้ถ้าเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าในแนวความคิดของหลวงพอ่อสมัยเมื่อหลวงตายังหนุ่มท่านยังดุด่าว่ากล่าวยัง บอกดูพระเนนให้อยู่ในกฎในระเบียบเอ่อก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เมื่อหลวงตาเท่าแก่ชราท่านปล่อยวางท่านก็ปล่อยวางอีกในระดับหนึ่งแต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายจะยึดตรงไหนช่วงไหนในนะักในการในการดําเนินปฏิปทาขององค์หลวงตาเรายึดได้เรายึดในช่วงแกของท่านช่วงที่ท่านปล่อยวาง หรือเราจะยึดในช่วงที่ท่านกำลังเข้มงวดกวดขันสิ่งเหล่านี้อย่างที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยออกมาในช่วงที่ท่านกำลังแข็งแรงนะ อ, อายุของท่านประมาณเจ็ดสิบหกสิบกว่าขนาดหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็มั้งสมัยนั้น น, น่ะเนี่ยนะเวลาเวลาวแจกอาหารน่าะแจกอย่างที่หลวงพ่อแจกเพราะหลวงพ่อยึดยึดในแนวแถวที่ท่านยังยังนมอยู่นะพอต่อมาท่านก็ปล่อยวาง ปล่อยวางของท่านแต่ตัวของท่านเองเออพวกเราก็เห็นไหมในโทรทัศนะ์การฉันของท่านท่านยังฉันในบาดนะขนาที่ขาข้างหนึ่งพับไม่ได้พรหัวหัวแม่เท้านะเนี่ยมันเจ็บท่านก็นยกยกเข่าตั้งหัวแม่เท้าตั้งขึ้นมาบาดของท่านก็นยังเอามาไว้ข้างหน้านะเรายัง ถ, ถ่ายดูวิดีโอก็ได้ น, ะนะนี่แหละดวงตาในท่าน แข่งครัทในธรรมวินัยเรื่องบททุรงขวัตของท่านนไม่ใช่ธรรมดาถ้าไม่เตจมเป็นจริงท่านจะไม่ฉันไม่ฉันชดช้อนสมัยก่อนถ้าองค์ไหนสันชดช้อนท่ารอบทำไมหลวงพ่ออยู่เท่าเห็นเยเอาเลยแหละใครมันทําไมฉันเจ้าชู้คุณนางเฮ้มันไปฉันชดช้อนอย่างนั้นได้เหรอเดี๋ยวไล่ออกจากวัดนะเห็นไหมเราเคยฉันไหมทําไมไม่ดูเรา ก็หลงตาในท่านเอาจริงๆนะเพราะนั้นดูกระหลงตาในช่วงที่ท่านเข้มงวดกวดขันเอท่านยังเข้มแข็งอยูนะ่การฉันก็ดีการเออะไรก็ดนะีเวลาฉันจังหันเนเนอพอฉันจังหันเนี่ยท่านจะเหลือบไปดูพระเอเวลาฉันจังหันของหนูตาเถอออกไปข้างนอกแต่เคี้ยวจบจบแบบขาดสติเนะี่ยหลงตาจะบอก องนั้นอ่ะมันฉันมันยังทํำยังไงฉันแล้วมันเถอออกไปข้างนอกทํามันไม่ดูบ่าเวลาฉันอยู่เราจะดูแลดูแต่ในบาทอันนี้มันเถอข้างนอกเอแสดงว่ามันขาดสตินั่นลิ้นอาหารเตะเข้าลิ้นเนยฮลอยไปเลยขาดสติเอเห็นแล้วมันลอยนั่นแ่ะใจมันละเมอเมันเหมือนนั่นเลยมันต้องมองดูในบาทสิ แลยเวลาเราฉันอยู่เราจะแย่ดูแต่ในบาทเ อ, อี่ยทไมมันเหมื่อรอยอย่างนั้นฮะดูไม่ได้นะหลวงตาเอาอย่างนั้นนะคณะชาตาญาติโยมโลูกหลานสมัยหลวงพ่ออยู่กับหลวงตานะเนี่อท่านดุนะเ อ, อีถ้าถ้ามองท่านมองเห็นแล้วไม่เข้ารูปเข้าลอยเนะี่ยท่านดุเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยยึดในสมัยที่ท่านยังยังเข้มแข็งอยู่นะเพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายมองเห็นหลวงพ่อกับหลวงพ่อทาไมหลวงพ่ออินเนี่ยจึงทําอย่างนี้แต่วัดอื่นเขาต้องเท่าทําอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อเนี่ยคิดว่าเดินตามแนวแถวของวงหลวงตานีในการประพฤติปฏิบัติแต่ถึ้งยังไงก็ไม่ถึงเสี่ยวนะคณะทายยอดนะมหลวงตานี่เฮี้ยมกว่านี้อแต่หลวงพ่อเนี่ยเอาเพียงนิดหน่อยหลงการดุด่าว่าเกาวพระเนี่ยหลวงพ่อในใจดีนะใจดีมากๆากนะ แต่อยู่กับหลวงพ่ออยู่กับหลวงตานอ่ยันยัางหันไม่ไม่อิม่มไม่เต็มท้องแหลอแบบเร็วที่สุดเลยนะเสร็จแล้วก็หลวงพ่อสมัยใหม่ก็เข้าไปรับบาตของท่านล้างบาทของท่านนะ่ <c oughs> นะหลวงพ่อเองเป็นคนดูแลเก็บบาทรส่งบาตนะวันนี้ก็ได้พูดแนวความคิดอย่างหนึ่งให้กับพวกเราพระเนรลูกหลานได้ฟังคณะทาญาทโยมได้ฟังฮนะ เป็นแนวทางสำหรับพระกรรมฐานครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันท่านอยู่กันอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพวกเราจะนำไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ของพวกเราเออก็ไม่น่าไม่น่าผิดเหมือนกันนะลูกหลานนะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร